มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมวักอนุมานปัญหาที่แปดก่อนเข้าสู่อนุมานปัญหาที่แปดมีเชิงอจว่าคคำภีมิลินทปัญหานี้ตอนอารัมพกถาแบ่งปัญหาไว้เป็นประเภทใหญ่ห้าประเภทคือประเภทที่หนึ่งมิลินทะปัญหาประเภทที่สองเมนดกะปัญหา ประเภทที่สามอนุมาณปัญหาประเภทที่สี่ลักษณะปัญหาประเภทที่ห้าอุปมากระถาปัญหาแต่มาในตอนที่แบ่งปัญหาประเภทใหญ่ออกเป็นวรรคเป็นเรื่องประเภทที่สามที่สีหายไปชื่ออนุมาณปัญหายัางปรากฏอยู่แต่เอาบวกเข้าเป็นเรื่องที่8ปในวรรคที่เก้าของเมนดากะปัญหาสังเกตดูรูปความ เห็นว่าเป็นอนุมานปัญหาประเภทใหญ่นั่นเองแต่หากไม่ได้แบ่งเป็นวัคเป็นมเรื่องผู้รวมเรื่องในชั้นเดิมจึงจัดเอาเป็นปัญหาหนึ่งรวมเข้าเสียในเมนดกะปัญหาที่ถูกคงเป็นปัญหาประเภทใหญ่ที่สามนั่นเองจึงแยกออกพิมพ์เป็นประเภทหนึ่งต่างหากคงแต่คำว่าวัคและเรียงจำนวนเลขไว้ตามบาลีบอกไว้สาหรับพิจารณาเท่านั้นส่วนปัญหาประเภทใหญ่ที่สี่คือ ลักษณะปัญหานั้นหายสูญชื่อไปทีเดียวแต่เมื่อตรวจดูรูปความเห็นว่าทุดงคับปัญหาเรื่องที่เก้าต่อจากอนุมานปัญหานี้และเป็นลักษณะปัญหาเพราะกล่าวถึงลักษณะต่างๆมากแต่เนื้อเรื่องกล่าวด้วยทุดงผู้ให้ชื่อจึงเขียนลงไว้ว่าทุดงคะปัญหาได้พิมพ์แยกไว้เป็นแผนกหนึ่งเหมือนกันจะผิดถูกอย่างไร แล้วแต่นักประหาชจะวินิจฉัยจบเชิงอัดอนุมาณปัญหาที่แปดเรื่องถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือใครเป็นผู้ได้เห็นพระองค์อธโขในการนั้นแท้จริงโซมิลินโทราชาอันว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตรมีพระราชองค์การตรัสปราสายถ้อยคำเป็นสารานิยะคถา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 และพระวายามปัญญาอุตสาหะตั้งสติสัพพัญญาให้มั่นคงเป็นอันดีแล้วตรัสถามพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพุทโธอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นปยาทิโธอันผู้เป็นเจ้าได้เห็นมรือประการใดพระนาคเสนวิสัชนาว่ามหาราชะ ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารอาตมาจะได้ทัศนาการเห็นหามิได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาพุทโทอนว่าสมเด็จพระพุทธสัพพันอยู่ผู้เป็นเจ้าไม่เห็นก็อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าเห็นหรือไม่เล่า พระนาคเสนมีเถระวาจาว่ามหาราชาดุราณะบพิษพระราชสมภารอาจารย์ของอัตมาก็ไม่ได้เห็นพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโยมคิดว่าตัวผู้เป็นเจ้าไม่เห็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าจะเห็น นี่อาจารย์ก็หาเห็นไม่ถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะไม่มีใครเห็นปรากฏจะมีอย่างไรได้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวง์ของพระองค์มีอยู่หรือมหาบาพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าสงสัยอะไรพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงศ์ของโยมนี้มีสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชะขอถวายพระพร บ, บพิษพระราชสมภารกษัตรที่เป็นต้นพระวงศ์ของมหาบพิษนั้นมหาบพิษได้เห็นหรือ สมเด็จพระเจ้าเมลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงของโยมโยมไม่เห็นพระนาคเสณมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรปุโรหิตผู้เท่าเสนาบดีผู้เท่าได้เห็นหรือหรือว่าหาไม่ได้ประการใด สมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอัตมานี้มาใส่ใจว่ากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวง์นั้นมหาบาพิษไม่เห็นกับพระเนตรของมหาบาพิษเสนาบดีและปุโรหิตผู้เท่าท่านเจะเห็นบ้างนี่ก็หาเห็นไม่ เออจะเอาอะไรเป็นที่อ้างเล่านี่กษัตริย์ที่เป็นต้นพระวง์ก็เปล่าไปไม่มีนั่นสิบ่อพิษพระราชจะสมผานสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอรการตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวง์มีถึงห้าพระองค์แม้ดับศูนย์ไปแล้วก็จริงแหลแต่ทว่าเครื่องราชะ ก, ะกุฏขพัน ยังมีเป็นที่อ้างอีกหลายสิ่งหลายอันเสรยถีทังคือสิ่งอะไรบ้างเสตะฉัตตังคือสเสวตฉัตหนึ่งอุณหิตสังคือพระมงกุฎหนึ่งวาลวิชนีคือพัดวาลวิชนีหนึ่งมหารหานิสยนานิคือพระแท่นที่บรรทมมีราคามากครามครันหนึ่งขักคันจ่คือพระขันแก้วหนึ่ง นี่แหละโยมเห็นเครื่องส่งเข้าแล้วก็รู้ว่ากษัตริย์ที่เป็นต้นพระวงม์มีเพราะของต่างๆนั้นเป็นพยานพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรซึ่งพระองค์สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยา น, นั้นอาตมาก็ไม่เห็นอาจารย์ของอาตมาก็ไม่เห็นแต่อาตมาเห็นเครื่องส่ง ที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าประดิษฐานไว้ยังมีอยู่สาวกทั้งปวงผู้รู้ผู้เห็นได้รับประทานต่อต่อมาเสยยถีทังคือสิ่งไรบ้างจะตาโรสติปัทานาคือพระสติปัทานทั้งสจตาโรสัมมปทานาคือพระสัมมปทานสี่จะตาโรอิทธิปาธาคือพระอิทธิบาทสี่ ปัญจินทริยานี้คืออินรีห้าปัญจะพลานี้คือพละห้าสต้โพช o t ังคาคือพระพช o งเจ็ดอัฏถังคิโกมัโคคือพระอัฏถังคีกมักแปดประการอันอุดมอัตมาก็ประนมมืออภิวาสไหว้ด้วยน้ำใจเชื่อแท้ด้วยเห็นธรรมประจักษ์แก่ตาก็อนุมาณด้วยปัญญาว่า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 เรื่องวิสัชนาโดยชักอุปมาอุปไมยเรื่องโลกีนครกับธรรมนครพิสดารมากมายโดยอนุมานปัญญาพระนักเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานดังนักรวัตกีนายช่างพระนครผู้หนึ่งปรารถนาจะสร้างพระนคร จึงพิจารณาดูซึ่งที่ชัยภูมิแห่งหนึ่งซึ่งเสมอเป็นอันดีจะได้มีก้อนกรวดและแผ่นศิลาหามิได้เป็นภูมิภาคหน้าร่มรื่นชื่นบานปราศจากอันตรายและโทษซึ่งจะเกิดขึ้นทางใจปสิตตวาครั้นพิจารณาดูซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นแล้ววิสมังสมังการาเปตวาจึงช้าให้คนทั้งหลายทำที่ที่ไม่เสมอ ให้เสมอให้ชำระซึ่งหลักต่อไม้น้ำแล้วจึงสร้างเมืองงามควรจะทัศนาการเล็งแลดูในที่นั้นวิพัฒชิตังเมืองนั้นอันนายช่างจำแนกดีแล้วโอกิ น, นะปริขังรอบนอกมีคูกัน้นปาการะทันหังในครูกำแพงมีหอรบเชิงเทินอันมั่นคงจะตุ ก, กันณสันทิ มีที่ต่อตามมุมกำแพงทั้งสี่มีถนนสี่แจงถนนสามแจงและถนนหลวงร้านตลาดทั้งปวงและสวนหลวงอุทยานสํมราญใจสระน้อยสระใหญ่สระโบคารณีและท่าน้ำแล้วจึงกระทำเป็นนิเวศวังในประกอบไปด้วยราชเรือนหลวงปราสาตราชมณเทียนทั้งปวงทั้งคลังและฉางต่างๆ สร้างเป็นมเรือนกระทําด้วยยญาไว้ให้คนอาศัยตังนักขรังพระนคร น, นั้นใสนิราชทุกข์แสนสุขสบายหาอันตรายไม่ได้ประกอบด้วยสุขสมสรโสวัธกีในช่างนั้นครั้นสร้างนครลงแล้วหาอยู่ไม่อันยังประเทสังคัดไช ย, ยะก็ไปสู่ประเทศที่อื่นตามปรารถนา อปรเรณะสมยเยณะโดยสมัยอื่นตังนักขังอันว่าพระนครนั้นสุพิกขังข้าวถูกลูกไม้มีผลสารพัดอาหารเลี้ยงชนมีทุกสิ่งสุเขมังเป็นเมืองยิ่งกเกษมสารสุสะมิทังสิวังมั่งคั่งเย็นสมรานแสนสบายอณีติกังนิรุปัตถวังมิได้ปราศจากระเบียบกฎหมาย และหาอุปัตถวันตรายไม่ได้นานาชนะสมากุลังอากูลมูนไปด้วยไพร่ฟ้าประชานิกรอยู่อื้ออึงคือกษัตริย์และพราหมณ์และพ่อค้าชาวนาและพ่อครัวนายช้างนายมา้านายรถบทจรเดินเท้าและนายขมังธนูหมู่บันดอและกระเทยและลูกหลวงลูกอมาต ร, ราชเสนา และทหารโยธาสมควรจะวิ่งเต้นเข็นฆ่าหมูอารินทั้งหลายให้พินาฏอันหนึ่งประกอบด้วยบุตรธาตุบุตรคลมั่งมีและบุตรคลปล้ำคนมวยต่างๆมีทั้งช่างถมช่างปราศช่างเขียนทุกสิ่งสันช่างกระทำจุนจันช่างทองคําช่างเงินช่างดีบุกช่างทองแดงทองเหลืองช่างแก้ว ช่างเจรไนช่างไม้ช่างหม้อช่างทอช่างปั้นช่างกล่าช่างพระขันช่างทําดาบหอกน้อยหอกใหญ่ช่างไม้ช่างกระบีช่างประดับประดาช่างทําดินทําทรายช่างครามช่างครั่งช่างปิ้งมังสังช่างทําสําหรับกับข้าวสารพัดจะมีทุกสิ่งไป สิ่งไรที่จะไม่มีในพระนครนั้นเป็นว่าหาไม่ได้ประกอบไปด้วยตลาดพิสารโรงร้านเรียงรายฝูงมนุษย์นิกรหญิงชายผู้ใดเที่ยวไปได้เห็นพระนครอันเป็นสุขสนุกสําราญดังนั้นก็ชมด้วยอนุมานปัญญาว่าช่างผู้นี้ฉลาดนักหนามาสร้างพระนครไว้ยะถามีครุวนาฉั้นใดยะถา มีครุวนาอุปมาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโสภคะวาอันว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์ผู้ทรงพระภาคนั้นอสมะสมโมบุคคลผู้ใดจะเปรียบเสมอพระองค์หาไม่ได้ทรงพระพุทธคุณและพระบารมีคุณจะนับไม่ได้อนัตตะเตโชมีเดชจะนับไม่ได้ อนันตะพะโลมีพระกำลังจะนับไม่ได้ทรงไว้ซึ่งพระพุทธผลบารมีกิริยาอันถึงที่สุดจะนับไม่ได้อนันตะวิริยมีเพียนจะนับไม่ได้อนันตะพละมารังนีหาริตวาพระองค์มากำจัดเสียซึ่งมานอันจะนับไม่ได้ยังมานกับเสนาให้อัปปราชัย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 สร้างธรรมนครลงไว้เหมือนในช่างสร้างนาครขึ้นไว้ในการนั้นพระควะโตโขมหาราชธรรมนครังขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารอันว่าธรรมนครของสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามนั้นสีละปาการังมีศีลเป็นกำแพงหิริปริขังมีละอายบาป เป็นครูสติโทวาริกังมีสติเป็นนายประตูญาณทวารากฎทะกังมีพระยานเป็นซุ้มประตูวิริยะอัตตารกังมีเพียรเป็นหอรบศรัทธาอีสกังมีศรัทธาเป็นยอดปราสาทปัญญาปาสาทางังมีปัญญาเป็นตัวปราสาทสุตตันตะปัจจรังมีพระสุตตันตะปีดก เป็นถนนหลวงอภิธรรมสิงคาตะกังมีพระอภิธรรมเป็นตะแลงแกงถนนสามแจงวิเนยะวินิจชยังมีพระวินัยเป็นโรงราชวินิจฉัยสติปัฐานวีทิกังมีพระสติปัฏฐานเป็นถนนใหญ่อันสําราญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารลำดับถนนมีร้านตลาดต่างๆ เสยยถีทังคือสิ่งอะไรบ้างปุภพาปนังคือร้านตลาดตกไม้คันทาปนังร้านตลาดของหอมพลาปนังร้านตลาดผลไม้อคทาปนังร้านตลาดยาดับพิษงูโอสถาปนังร้านตลาดยาต่างๆอมตาปนังร้านตลาดอมริตอันหวานรตนาปนัง ร้านขายแก้วสภาปนังร้านตลาดของเบ็ดเล็ดสารพัดมีสิริเป็นแปดตลาดด้วยกันขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปุบผาปนังอันว่าร้านตลาดดอกไม้นั้นประการใดเรื่อง จะทำเปรียบด้วยร้านตลาดต่า ง, างๆในธรรมนครพระนากเสกนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพ ร, รบพิษพระราชสมภารอันว่าร้านตลาดตอกไม้นั้นได้แก่อสุภะสัญญาอันสมเด็จพระบรมโล ก, กนาศาสาศดาจารผู้รู้ผู้เห็นเป็นองค์พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ขาย สัญญาทั้งหลายคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามารณสัญญาอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหาณะสัญญาวิราคะสัญญานิรุธสัญญาสภะโลเกอนภิรตสัญญาสภะสังขารสุอนิจจสัญญาอธิกะสัญญาปุรุวกะสัญญาวินีละกะสัญญา วิจิตทกะสัญญาวิปุพภกะสัญญาอุทุมาตกะสัญญาวิขายิตกะสัญญาหัตตวิกิตทกะสัญญาโลหิตกะสัญญาและพระเมตตาสัญญากรุณาสัญญามุทิตาสัญญาอุเบกขาสัญญาอานาปานสติมารณานุสติกายคตาสติมหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอิมาสัญญาอนุสัญญาทั้งหลายนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าเป็นตลาดขายดอกไม้โยคาวจร์เจ้าทั้งหลายถือเอาสัญญาเป็นอารมณ์แล้วจะพ้นจากราคะโทสะโมหะมานะทิฐิจะข้ามพ้นสงสารห้ามเสียซึ่งกระแสตัณหาจะตัดเสียซึ่งความสงสัย จะกําจัดเสียซึ่งกิเลสจะประเวทเข้าสู่พระนครนิพพานนครรุตตมังเป็นพระนคร อ, อันอุดมบรมล้าเลิศประเสริฐกว่านาครทั้งปวงเมื่อนิพพานนั้นล่วงเสียแล้วซึ่งภัยประกอบไปด้วยสุขปรีดาโดยสภาวะแท้อชาตังอชรังอมะระนังไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้ตายประเสริฐเป็นนิจศิน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 ด้วยวิมุตติธรรมอันประเสริฐ ด, ดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากาโลสิผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรนักหนาดังนี้แล้วตรัสถามต่อไปว่าคันทาปนัง อันว่าร้านตลาดของหอมได้แก่สิ่งไรพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารร้านตลาดของหอมได้แก่ศีลธรรมดาวาสมณะพรามสาธุสัตบุรุษผู้ใดถือศีลมั่นศีล น, นั้นเทียนย่อมจะมีกลิ่นฟุ้งไปตลอดมนุษย์โลกและเทวโลก ทั้งทิศน้อยทิศใหญ่ธรรมดาว่ากลิ่นดอกไม้ย่อมจะหอมไปได้แต่ตามลมกลิ่นศีลนิสัยหอมไปตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้ศีลนั้นคือไตรสรารณคมและศีลห้าประการศีลแปดประการศีลสิบประการศีลที่นับเนื่องในอุเทศทั้งห้าและปาติโมกาสังบารศี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 มลิกาคือดอกไม้มีมลิเป็นต้นและกลิ่นอุบลบุปผาที่ว่ากลิ่นหอมประเสริฐกว่าคันธชาตทั้งปวงนั้นจะมีกลิ่นหอมไปได้ก็แต่ตามลมจะหอมทวนลมและหอมไปทั่วทิศเหมือนกลิ่นศีล น, นี้หาไม่ได้กลิ่นศีล น, นิสัยเทเวสุอุตตโม อ, อุดมกว่าทิพยสุคนในเทวโลก ล้ำเลิศนักหนาดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชองค์การตรัสชมว่าผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรนักหนาแล้วตรัสถามว่าพันเตน า, าเกษตระข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าร้านตลาดผลไม้ได้แก่สิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเสนจิงแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าผลไม้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาศาสดาจาร์ตั้งร้านวางไว้เสยยถีทางคือสิ่งใดโซตาปฏิพลังคือพระโสดาปฏิผลสกิทาคามิพลังคือพระสกิทาคามิผลอนาคามิพลัง คือพระอนาคามิผลอรหัตตะพลังคือพระอรหัตตะผลสุญญาตะพลังคือสุญญาตะผลสมาปติพลังคือสมาปติผลอานิมิตพระสมาปฏิคืออานิมิตะระสมาบัติอปนิหิตพระสมาปติคืออปนิหิตะระสมาบัติอเนญชะระสมาปติคืออเนญชะระสมาบัติ อุเปขาพระสมาปฏัฏิคืออุเปขาพระสมาบัติจัดเป็นร้านตลาดผลไม้ผู้ใดปรารถนาเพิ่งกระทำการบุญชื่อว่าให้มูลค่าก็จะได้ซึ่งผลตามปรารถนามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานดังบุรุษผู้หนึ่งมีมะม่วงทรงผลอยู่เป็นนิรัน์บุรุษผู้นั้นก็ทรงตกแต่ง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 มีขรุวนาฉันใดอันว่าร้านตลาดผลไม้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาาพระราชาทานไว้บุคคลผู้ใดให้มูลค่ากล่าวคือบำเพ็ญเพียรบริกรรมภาวนาก็จะได้ผลไม้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นสมดังความปรารถนามีอุปไมเหมือนต้นมะม่วงอันมีผลเป็นนิจฉนั้นมหาราชะขอถวายพระพร นี่แหละเป็นมร้านตลาดผลไม้ของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาว่าชนทั้งหลายมาให้มูลค่ากล่าวคือบริกรรมภาวนาแล้วย่อมซื้อเอาได้ซึ่งอมาตะผลผู้ที่ซื้ออมาตะาผลด้วยบริกรรมภาวนานั้นย่อมเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขในโลกดังนี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากนโลสิพระผู้เป็นเจ้านี้ฉลาดนักหนาซึ่งวิสัชนานี้ไพเราะนักดังนี้แล้วตรัสถามต่อไปว่าอะคาทาปนังอันว่าร้านตลาดยาดับพิษงูนั้นได้แก่ทาสิ่งใดเล่า พระนาคเสนจิงวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบบพิษพระราชสมภารร้านตลาดยาดับพิษงูของสมเด็จพระบรมครูนั้นคือทําอันดับกิเลสที่พระองค์ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ได้แก่นวังค่าสัตถุศาสนาคือคําสั่งสอนมีองค้าคือสุตตะเคยยะวยากรณะคาถา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 ชลาพยาธิและมรณะทุกข์และโสกะปริเทวะสอื่นอาไลาและความทุกโทมนัตและความคับแค้นอันเป็นพิษใหญ่สมด้วยพระพุทธดีกาที่ตรัสพระสธรรมเทศนาไว้ว่าภิกขเวดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะดับพิษกิเลสร้ายจะประเสริฐเสมอพระธรรมนั้นไม่มี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 ได้แก่ทาสิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนากเกษจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ทรงรักษาโรคคือราคาที่กิเลสแห่งมนุษย์นิกรอมรเรศทั้งหลายให้เบาบางห่างหายด้วยธรรมทั้งหลายสิ่งใดอันว่าธรรมนั้นไซ้ใช่อื่นใช่ไกล จัตตารูสติปัทานาคือพระสติปัทานสี่จัตตา ร, รูสัมมปทานาคือพระสมรัมมปทานสจัตตารูอิทธิปาทาคือพระอิทธิบาสีปัญจอินทริยานิคืออินทรียห้าปัญจะลานิคือพละห้าสัตตะโพธชังคาคือโพชชงเจ็ดอดทถังคิโกมัคโข คืออัดถังทิกกมักอันอุดม8ปสิริเป็นโพธิปัจกียธรรม37นี้เป็นยารักษาโรคแห่งสัตว์มนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายอันเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะดำมริผิดมิจฉาวาจากลาวาจาผิดมิจฉากัมมันตะประกอบการผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียรผิดมิจฉาสติ ตั้งสติผิดมิช้าสมาธิตั้งสมาธิผิดเรียกว่าเป็นโรคคือปฏิบัติผิดนั้นให้ปฏิบัติเสียให้ชอบที่สมเด็จพระชินสีห์เจ้ายังเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยอันตรายแล้วให้คลี่คลายเสียซึ่งบ่วงห่วงใยให้พ้นไปจากทุกจากกันดารแล้วยังจิตให้โสมนัตการในโพธิปักขยธรรมดังวิสัชนามานี้แล เรียกว่าร้านตลาดยาอันวิเศษของสมเด็จพระศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ดังนี้ว่าพิกขเวดูราณะภิกษุทั้งหลายเยเกจิโอสถาอันวิยาวิเศษขนาดใดขนาดหนึ่งซึ่งจะประเสริฐดุดยาคือธรรมของตถาคตมีพระสติปัฏฐานเป็นต้นตลอดจนถึงพระอัฏฐังคิกรรมักนั้นหาไม่ได้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 บุคคลผู้ใดได้บริโภคแล้วอาจดับกิเลสให้สิ้นไปได้ด้วยประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสุตะปุพังพระองค์จะไมะ่ไทรงเสวนาการฟังมาบ้างหรือว่าครั้งหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายทูลถามสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นสามายิกะนิมิต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 ธรรมโมสถังปีวิตวานะมนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดูดดื่มธรรมโมสดนั้นแล้วก็ดับกิเลสเข้าพระนิพพานดับเสียซึ่งชาติกันดารชลากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารสุกเกษมสารเป็นเอกันตะบรมสุขสมเด็จพระเจ้าไมลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่า กโลสิอันว่าร้านตลาดทั้งหลายผู้เป็นเจ้ากล่าวปริยายนี้สมควรอยู่อมตาปนังอันว่าร้านตลาดน้ำอำมริตกินไม่รู้ตายนั้นได้แกท่ทำสิ่งไรเล่าพระเจ้าข่าพระนาเขาเสด็ จ, จึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบวชพิษพระราชสมภารอมตาปนังอันว่าร้านตลาดน้ำอำมริตนั้น ได้แก่กายคตาสติกายคตาสตินี้ถ้าบุคคลผู้ใดจำเริญภาวนาแล้วได้ชื่อว่าบริโภคซึ่งรถพระนิพพานจะดับเสียซึ่งชาติชาราพยาธิมรณะโศกะบริเทวทุกขโทมนัสุปายาตทั้งหลายแม้ยังจะเวียนว่าอยู่ในวั ต, ตะสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานก่อนบุคคลผู้นั้นบ่ห่อนจะได้ไปสู่จตุราบายัย ม่แต่ว่าจะไปเกิดในสุขติอันดีสมด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายมูสัตทั้งหลายเหล่าใดได้ดื่มกินกายยะคตาสติมูสัตเหล่านั้นได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งน้ำอมฤตไม่รู้ตายและล่วงเสียได้ซึ่งทุกคติวินิบาตและนรกดีรฉานทั้งปวงดังนี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาซึ่งวิสัชนานี้สมควรแล้วก็ร้านตลาดแก้วของสมเด็จพระบรมครูนั้นได้แกท่ทาสิ่งไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร อันว่าร้านตลาดแก้วนั้นได้แก่ศีล ร, รัตนะสมาธิรัตนะปัญญารัตนะวิมุติรัตนะวิมุติญาณทัศนรัตนะปฏิสัมพิทารัตนะมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าศีล ร, รัตนะนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่า ได้แก่พระปาติโมกขสังวรศีลอินทริยะสังวรศีลอาชีวปาลิสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตาสีลจุลศีลมัชิมศีลมหาสีลมัคคสีลภลศีลมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเทวะมนุษย์สาเทวดามนุษย์ทั้งหลาย ในมนุษยโลกกับเทวโลกพรหมโลกและสมณพราะมนาจารย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญซึ่งบุคคลอันประดับแก้วกล่าวแล้วคือศีลรัตนะมหาราชะขอถวายพระพรบพิทรระราชสมภารพระภิกษุทั้งหลายทรงไว้ซึ่งศีลรัตนะนั้นรุ่งเรืองงามไปทั่วทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันตกตะวันออกและทิศใหญ่น้อยทั้งหลายทิศเบื้องต่ำเบื้องบน ตลอดถึงพะวักขะพรมอุดมกว่าแก้วทั้งหลายในไตรโลกนี้สมด้วยพระพุทธฎิกาที่สมเด็จพระเทวาติเทวะตรัสพระสธรรมเทศนาว่าความสงสัยได้มีแก่เราว่าศีลประเสริฐกว่าหรือสุตะประเสริฐกว่าดังนี้ศีลนั่นแหละประเสริฐกว่าสุตะความสงสัยไม่ได้มีแก่เราแล้ว ศีลเห็นป่านี้มีอยู่ในร้านตลาดของเราท่านทั้งหลายจงซื้อศีลรัตนะด้วยการปฏิบัติกล่าวคืออุตสาหารักษาศีลให้มั่นแล้วจงเอาศีลรัตนะนั้นไปประดับเถิดมหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารอันว่าสมาธิรัตนะนั้นได้แก่ธรรมสิ่งไร อันวาวสมาธิรัตนนั้นได้แก่สาวิตักะสาวิจารสมาธิอวิตรกะอวิจารสมาธิสุญญาตสมาธิอนิมิตะสมาธิอัปปนิหิตสมาธิโยคาวจรภิกษุรูปใดทรงไว้ซึ่งสมาธิรัตนะดังนี้แล้วก็จะห้ามเสียและแพ้วเสียซึ่งกามาวิตกพยาปาทววิตกวิหิงสาวิตก และมานะอุทจจะทิฏฐิวิจิกิจาวิตกและวิตกด้วยกิเลสทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆมิให้เป็นมลทินอยู่เพราะสมาธิเป็นธรรมบริสุทธิ์และทาจิตให้แน่วแน่เปรียบดุจใบบัวหลวงอันมิได้มีหยาดน้ำซึมซาบได้เหตุว่าใบบัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษเป็นธรรมดามหาราช ขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารสมาธิรัตนเห็นบานนี้แหละเป็นร้านตลาดรัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดายุติ ด, ด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ตรัสไว้ว่าสมาธิรัตรนนี้มิให้วิตกอันมร้ายกาจเกิดได้และมิให้ซัดทอดไปซึ่งจิตเอตังตุมเห ท่านทั้งหลายจงประดับซึ่งแก้วอันกล่าวแล้วคือสมาธิรัตนนั้นมหาราชขอถวายพระพรบอิษพระราชสมภารอันว่าปัญญารัต น, น, นได้แก่ทำสิ่งไรปัญญารัตนนั้นได้แก่พระอริยสาวกผู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้เลวสิ่งนี้ประนีต สิ่งนี้ดำสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ทั้งดำทั้งขาวยถาภูตังปชานาติย่อมรู้โดยแท้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกขสมุทัยสิ่งนี้เป็นทุกขนิโรธสิ่งนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปัญญารัตนะเห็นปา น, นี้แหละ เป็นร้านตลาดปัญญารัตนะของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่ตรัสไว้ว่าบุคคลประดับปัญญารัตนนี้แล้วย่อมเวียนว่าอยู่ในภพอีกไม่นานก็พลันที่จะบรรลุอมตะมหานิพพานไม่ยินดีในภพต่อไปคือไม่ปรารถนาจะเกิดอีกมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าวิมุติรัตนนั้นได้แก่ธทำสิ่งไรอันว่าวิมุติรัตนนั้นได้แก่พระอระหันต์โยคาวาจอนเจ้าที่สําเร็จพระอระหันต์นั้นได้ชื่อว่าประดับซึ่งวิมุติรัตนะ์ดุษบุรุษผู้หนึ่งทรงอาภรณ์ประดับมุกดาและแก้วมณีและแก้วประพานและฉล้มทาด้วยเครื่องทาคือกฤษศนา ฉลูดขอนดอกกระแจะจันทร์อันมีกลิ่นหอมวิเศษและประดับด้วยดอกไม้ทั้งหลายซึ่งมีคันธชาตอันหอมคือพิกุลบุญนาคสายหยุดพุทธชาตเบนจามาสมาลิซอนมาริลากันนิกาจำปากาหลงมหาหงชงโคทั้งสิน้นและดอกอุบลอันมีกลิ่นหอมไปได้เจ็ดวัน และดอกไม้อันมีกลิ่นหอมไปได้เกืองเดือนนั้นก็รุ่งเรืองเป็นทองงามแสงอารามครอบงามเสียซึ่งมาลาพรและคันทาพรทั้งหลายนั้นยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าพระขีนาสวะเจ้าอรหัตตังปัตโตสำเร็จพระอรหัตแล้วได้ชื่อว่าประดับวิมุติรัตนะ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 เป็นร้านตลาดวิมุติรัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้กระแสพระพุทธฎีกาที่ว่าสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเครื่องประดับเป็นวิการแห่งแก้วมณีแล้วย่อมเป็นที่เล็งแลของมหาชนชั้นใดพระอริยสาวกที่ประดับด้วยวิมุติรัตนนี้ก็เป็นที่เล็งแลของทิวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉันนั้นมหาราช ขอถวายพระพรบวชภิษพระราชสมผานอันว่าร้านตลาดแก้วอันกล่าวแล้วคือวิมุตติญาทัทสนารัตนานั้นได้แก่ทำสิ่งอันใดปัจจเวกขณะยานังมหาราชะขอถวายพระพรอันว่าวิมุตติญาทัทสนารัตนานั้นได้แก่ปัจจเวกขณะยานคือปัญญาที่พระอริยสาวกยังเห็นซึ่งมรรคผลและนิพพาน กับทั้งกิเลส ท, ที่ละได้แล้วและกิเลส ท, ที่เหลืออยู่และยานที่เป็นเหตุให้พระอริยสาวกตรัสรู้อริยสัจสมด้วยกระแสพระพุทธฎีกาที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าพระภิกษุเหล่าพุทธชิโนรสพึงพยายามเพียนไปเพื่อได้ซึ่งรัตนะคือสัจจญยานกิจยานกัตยานดังนี้มหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าปฏิสัมพิธารัตนานั้นได้แก่ธรรมสิ่งไรปฏิสัมพิธารัตนานั้นได้แก่ปฏิสัมพิธาสี่คืออัตตปฏิสัมพิธาหนึง่งธรรมะปฏิสัมพิธาหนึง่งนิรุตติปฏิสัมพิธาหนึง่งปฏิภาณปฏิสัมพิธาหนึง่งพระภิกษุซึ่งได้พระปฏิสัมพิธาสี่นั้นแม้ว่าจะเข้าไปสู่ถ้ากลางบริสัทธสี่ คือขัตติย์บริษัทและพราหมณ์บริษัทและคฤหะบดีบริษัทและสมณบริษัทก็ดีวิสารโธจะองค์อาจแกล้วกล้ า, ลาอัมังกุภูโตมิได้นั่งก้มหน้าอยู่อนุตตราโสมิได้มีจิตสะดุง้งอัจฉริโตมิได้ตกใจกลัวอากรมปิตโตมิได้หวาดหวั่นกลัวใครอปัทานโอมิได้นึกหาที่ตั้ง อปริภาสันโตมิได้นึกท่องสังวัทยายวิคตะโลมหังโสมีขนพองอันปราศจากแล้วหาสยันโตมีใจชื่นวิสัตโถเป็นผู้มีท่าทางสนิทสนมมีสง่าในการเมื่อจะเข้าไปสู่ถ้ำกลางบริษัททั้งสี่มหาราชะขอถวายพระพรธรรมดาว่าบุรุษอันแกล้ากล้าในการสงคราม ก็ไม่ได้เข็ดขามคล้ามกลัวแต่งตัวผูกสอดเข้าซึ่งอาวุธห้าประการแล้วบุรุษผู้นั้นนึกห้าวหาญในใจว่าถ้าแม้หมู่ฆ่าศึกมาใกล้อุสุนาปาตายิสามิอัตมาจะยิงให้ล้มลงแม้ว่ายิงผิดไปจะตรงเข้ามาอัตมาจะพุ่งด้วยหอกน้อยจะโบยด้วยกริบจะแทงด้วยหอกใหญ่บุรุษผู้นั้นคิดในใจชะนี้ ก็ไม่มีความกลัวจึงแต่งตัวเข้าสู้สงครามความนี้ก็เหมือนพระภิกษุอันได้พระปฏิสัมพิธาทั้งสี่จะเข้าสู่บริษัทสี่ก็องค์อาจไม่สะดุ้งตกใจนั้นแท้จริงอันว่าพระภิกษุได้พระปฏิสัมพิธาสี่นึกในใจว่าถ้าบริษัทถามอัตมาโดยอัดก็จะแก้โดยอัดถามอัตมาโดยปัจจัย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 ถามโดยอมตะธรรมจะแก้โดยอมตะธรรมถามโดยอสังขตธรรมจะแก้โดยอสังขตธรรมถามโดยพระนิพพานธรรมจะแก้โดยพระนิพพานธรรมถามโดยสุญญตธรรมจะแก้โดยสุญญตธรรมถามโดยอนิมิตธรรมจะแก้โดยอนิมิตธรรมถามโดยอัปปนิหิตธรรมจะแก้โดยอปปนิหิตธรรม ถามโดยอเนนชธรรมจะแก้โดยอเนนชธรรมถามโดยอุเบกขาธรรมจะแก้โดยอุเบกขาธรรมถามโดยทำสิ่งไรอัตมาจะแก้ให้สิ้นสงสัยโดยธรรมนั้นๆประการหนึ่งบุคคลผู้ใดจะถามปัญหาโดยนิรุติปฏิสัมพิทาอัตมาจะวิสัญนาโดยนิรุติปฏิสัมพิทาถามโดยบทจะแก้โดยบท ถามโดยอนุบทจะแก้โดยอนุบทถามโดยอักขระจะแก้โดยอักขระถามโดยสนธิจะแก้โดยสนธิถามโ ด, ย, กกกก ด, มดยพยัญชนะจะแก้โดยพยัญชนะถามโดยอนุพยัญชนะจะแก้โดยอนุพยัญชนะถามโดวยวันะจะแก้โดวยวันะนถามโดยสระจะแก้โดยสระถามโดยบัญญัต จะแก้โดยบัญญัติถามโดยโวหารจะแก้โดยโวหารอัตมาจะแก้ให้สิ้นสงสัยประการหนึ่งโยโกจิบุคคลทั้งปวงจกถามปัญหาในปฏิภาณปฏิสัมพิทาคือถามโดยปฏิภาณจะแก้โดยปฏิภาณถามโดยอุปมาจะแก้โดยอุปมาถามโดยรถจะแก้โดยรถถามโดยลักษณะ จะแก้โดยลักษณะอัตมาจะเปลื้องเสียให้สิ้นวิมติสงสัยในการนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบวพิธพระราชสมภารปฏิสัมพิธารัตนดังกล่าวมานี้เป็นร้านตลาดปฏิสัมพิธารัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าภิกษุซื้อปฏิสัมพิธาทั้งหลายได้แล้ว พึ่งถูกต้องด้วยยานกล่าวคือเชี่ยวชาญด้วยปัญญาไม่ต้องเป็นผู้หวาดเสียวครั่นครามงามภัยโรดล่วงเสียซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้มหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภารอัร้านตลาดแก้วคือโพชชงนั้นเป็นประการใดมหาราชาขอถวายพระพรพ ร, พระโยคาวจรผู้ใด ประดับไปด้วยโพชังคารตนะเจ็ดประการคือสติสัมโพชงังคารตนะธรรมวิจยะสัมโพชังคารตนะวิริยะสัมโพชังคารตนะปีติสัมโพชังคารตนะปัสสธิสัมโพชังคารตนะสมาธิสัมโพชังคารตนะอุเบขาสัมโพชังคารตนะพระโยคาวจรนั้น ก็จะยังโอภาสให้เกิดความงามรุ่งโรจน์โชตนาการไปครอบงำเสียซึ่งมนุษยโลกและเทวโลกมหาราชะขอถวายพระพร น, นี่แหละสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดีกาตรัสว่าร้านตลาดคือสัมโพธชังครัตนะยุติด้วยพระพุทธดีกาว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเล็งแลดูผู้ที่ประดับด้วยโพชังครัตนะแม้ท่านทั้งหลายก็จงซื้อโพชังครัตนะเหล่านั้นด้วยการบริกรรมเจริญภาวนาเอามาประดับดังนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา สภามปนังอันว่าร้านตลาดของเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นของสมเด็จพระมุนินสัพพันยูนั้นได้แก่ทําสิ่งใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชคขอถวายพระพรบพิภรระาชสมพานธ์อันว่าร้านตลาดของเบ็เดเสร็จรได้แก่นวันงฆ า, าสัตถุศาสนาคือคําสั่งสอนของพระาศาสดามีองค์เก้าประการ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 ในร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระบรมศาสดานั้นบุคคลทั้งหลายย่อมจะซื้อเอาสมบัติต่างๆได้ด้วยสมาทานศีลและรักษาอุโบสถหรือแม้ด้วยการกระทํากุศลกรรมเพียงเล็กน้อยมีอุปมาอันนั้นนี่แหละเป็นร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายุติด้วยกระแสพระพุทธฎีกา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 ขอถวายพระพรบอภิษ พ, พระราชสมภารประการหนึ่งพระหูชนาะอันว่าคนทั้งหลายมากมายนักหนาว่าสันติย่อมอยู่สนุกสบายในธรรมนครสมสุทรธรรมกัตถิกาคือพระธรรมกถึกวิเนยทาราคือท่านผู้ทรงพระวินัยสุตันติกาคือท่านผู้ทรงพระสูตรอภิธรร ม, มิกาคือท่านผู้ทรงพระอภิธรรม และท่านผู้กล่าวซึ่งพุทธวจนะอันมีองค์ก้าคือสุตตะและเขยยะและเวยากรณะและคาถาและอุทานะและอิติอุตตะและชาตกะและอัภูตธรรมะและเวทะละและภิกษุทั้งหลายทั้งทรงซึ่งชาดกทรงซึ่งทีฆนิกายทรงซึ่งมัชชิมะนิกายทรงซึ่งสังยุตตะนิกายทรงซึ่งอังคุตระนิกาย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 และถือยถาส Leaving, ok segundo, ok ันติกะทุดงและถืออภโกาสิกะทุดงอรัญญิกะทุดงรุกขาโมลิกะทุดงและถือเนสัตชิกะทุดงและพระภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ในผลและพระภิกษุเป็นเสขาภะสมังคีและพระภิกษุผู้ได้พระโสดาและพระภิกษุผู้ได้พระสกิทาคาพระภิกษุผู้ได้พระอนาคาพระภิกษุผู้ได้อรหัต และพระภิกษุผู้ได้ตรวิชาพระภิกษุได้อภิญญาหพระภิกษุมีฤทธิ์พระภิกษุมีปัญญาบารมีอันบริบูรณ์และพระภิกษุจำเริญพระสติปฐานสและพระภิกษุจำเริญพระสมปทานสและพระภิกษุจำเริญอิทธิบาท4พระภิกษุจำเริญอินรียห้าพระภิกษุจำเริญพระหพระภิกษุจำเริญโพชฌงเจ็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 นละวะนะสระวะหนังอันว่าป่าไม้อ้อและป่าสนอันสล่างไปด้วยต้นอ้อและต้นสนต่างๆนานาป่าทั้งสองนี้อาเกียนอากูนแออัดมั่วมูลซับซ้อนกันไปยะถาไม่อุปมาฉันใดธรรมนครนี้ก็แออัดไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายมิอุปมาดังป่าอ้อป่าสนนั้นขอถวายพระพร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 ก็รวดเร็วด้วยฌานมริตทรงไว้ซึ่งสมถะและมักเป็นทิพยยจักขุให้เป็นผู้นั่งยามตามไฟตรวจตราไปในธรรมนครประการหนึ่งจัดสรรภิกษุทั้งหลายพหุสุตาเป็นพหูสูตรทรงไตรปิฎกอาคตาขมาทรงไว้ซึ่งประชุมนิกายธรรมธราทรงไว้ซึ่งพระธรรมวิญญยณธรา ทรงไว้ซึ่งพระวินัยมาติกาทราทรงไว้ซึ่งมาติกาและพระภิกษุทั้งหลายอัญฉลาดในอักขระน้อยใหญ่ซึ่งเป็นทีฆะเป็นมรัสสะเป็นสิถินเป็นทนิตและทรงไว้ซึ่งนวังค้ัตรุศาสนาให้เป็นธรรมรรคขาผู้รักษาธรรมในธรรมนครประการหนึ่งพระภิกษุทั้งหลาย เป็นวินยัญอยู่รู้พระวินัยวิเนยะโกวิทาฉลาดในพระวินัยฉลาดในพระสูตรและพระภิกษุผู้รู้ว่ากระทำสิ่งนี้เป็นอาบัตสิ่งนี้หาอาบัตไม่ได้สิ่งนี้เป็นครุกาบัตสิ่งนี้เป็นละหุกาบัตและรู้ว่าควรจะเยียวยาได้และเยียวยามิได้และฉลาดในพฤธิอาเทศลบ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 และผู้ที่ดื่มกินรสคือคุณธรรมอันเลิศปฏิบัติตามธรรมอันน้อยใหญ่และกายวาจาและจิตและเป็นอัปปิชะกะถากล่าวชมแต่ทางมากน้อยสันตุทิกถากล่าวชมแต่สันโดษปวิเวกะกะถากล่าวชมแต่ที่ราวป่าอันสงดเงียบอสังสัขขะกกถากล่าวเปรียบที่จะไม่ได้ละคนปนอยู่ในหมู่ในคณะ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 นครโลกีนี้ในช่างที่ตายสร้างไว้ยะถามีครุวนาฉันใดก็ดีอันว่าธรรมนาครนี้ก็เหมือนกันสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าทรงประดิษฐานไว้เพื่อจะให้ถาวรตั้งมั่นท้่วห้าพันพรรษาถึงว่าสมเด็จพระบรมโลกกนนานาศาสดาจารย์เจ้าเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วนานช้า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 เรื่องเปรียบมหาสมุดกับโลกสมุดพระนาคเกษเถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งธรรมดาว่ามหาสมุดอันใหญ่อนุปุพพะคัมพีโรลึกล้ำคัมพีรภาพพลพิสัยเป็นลำดับไปอปริมิตะพาลุกะชะละทะโรส่งไว้ซึ่งสายและชนชาติจะนับไม่ได้ ติมิติมิงคละมากุโลอากูลมูลมั่วไปด้วยปลาตัวใหญ่ชื่อติมิติมิงคละมาชาเป็นที่ไปมาอาศัยอยู่แห่งหมูหน้าครุธและผีเสื้อน้ำบรรดาสัตว์ทั้งหลายย่อมพาการเที่ยวแวกว่ายสแสวงหาอาหารท่องแถวโลรฐานั้นก็กำเริบด้วยหมูอ่อสูรคึกขนองอันหนึ่งเสียงเมฆกึกก้องสะเทือนท้องน้ำกำปนาด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 คำปั่นสำเพาอันเหล่านี้กอวานิทแล่นไปมากระทําการค้าขายอันหนึ่งประกอบด้วยสิ่งทั้งหลายคือฟองและระลอกคลื่นพัดฟื้นอยู่ทุกข่ำเชา้ามีคุ้งและปาก อ, าอ่าวอเนกนานามีบอ่อน้ำจืดอยู่ใกล้เป็นที่อาศัยแห่งหมูสัตว์และนิกรชนประกอบด้วยวังวนและบาดาลย่อมเป็นอัศจรรย์แปลกประหลาดอนหนึ่ง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 ปฏิวัสันติย่อมอาศัยอยู่ที่สมุดนั้นเอโกมหามโฉครั้งนั้นยังมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งจะใครลองดูกําลังของตนจึงโดดขึ้นไปกระทำให้มหาสมุดกำเริบเป็นมลาลอกใหญ่ซัดไปที่ริมฝั่งสมุททะตีระมนุขตาชนาอันว่ามนุษย์นิกรซึ่งสัญจรไปที่ริมฝั่งสมุดนั้น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 สัตว์มีเท้ามากและหาเท้าไม่ได้ย่อมสถิตอาศัยอยู่ในโลกสมุทรนี้สิ้นปางเมื่อสมเด็จพระพุทธสัพพัญญูผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามเลิศพระองค์บังเกิดในโลกนี้อย่างพื้นพิภพปัทถภีทั่วมืนโลกกาะท่าให้หวาดไหวได้ตรัสแก่พระประมาพิเศษสำเร็จพระพุทธสัพพัญยุตยานแล้วยังมนุสโล ก, กับเทวโลกให้กำเริบด้วยพระสัทธรรม แล้วก็ปักแพ้์ไว้ซึ่งธงชัยคือธรรมอันเลิศแล้วก็ปักแพ้วไว้ซึ่งธงชัยคือธรรมอันเลิศมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้ายังโลกให้กำเริบด้วยระลอกคลื่นกล่าวคือตรัสสัทธมรมเทศนาสั่งสอนสัตว์ตักเตือนสัตว์เลื่อสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกขติภพและภัยอันตราย ประทานน้ำอมฤตให้แกสัตว์ทั้งหลายทั่วประเทศประทานยาดับพิษดับโรคคือกิเลสให้แกสัตว์ในประเทศทั้งหลายและก็บ่ายหน้าเข้าสู่เขมภูมิอันกเกษมสารคือนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขวิสัยอมลังกโรติกระทําให้หามุนทินไม่ได้วิมลังกโรติกระทาให้ปราศจากบนทินนิมลังกโรติ กระทำให้หมดมณฑินสิ้นมณฑินขาวบริสุทธิ์พองใสยังสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในพระปฏิสัมพิธาอย่างสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระวิโมกย์อย่างสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตตภูมิอันสำราญตรัสประธานพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระจตุราริยสัจธรรมยังเทวโลกกับมนุสโลกให้กำเริบด้วยระลอกคลื่นคือพระจตุราริยสัจธรรมสี่ประการ มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารหมู่มนุษย์และเทวดาได้สนาการฟังซึ่งกําลังระลอกคลื่นคือพระจตุราริยสัจธรรมนี้บางพวกก็ตั้งอยู่ในโสดาบางพวกก็ตั้งอยู่ในสกิทาคาบางพวกก็ตั้งอยู่ในอนาคาบางพวกก็ตั้งอยู่ในอรหัตบางพวกสมาทานศีล บางพวกสมาทานพระไตรสารณาคมตั้งอยู่ในภูมิเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรัครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถเสด็จพระพุทธหลีลาดขึ้นไปตรัสพระสัทธรรมเทศนาณเมืองดาววดึงสวรรค์นั้นสเสด็จทรงนั่งเหนือบรรดุ ก, กัมพลศิลาอาจแล้วตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระทุกขสัต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 ที่พระเจ้าทั้งหลายเห็นกระแสะคลื่นกล่าวคือพิจารณาเห็นซึ่งทุกขสัตว์ก็ปรงปัญญาเห็นซึ่งนิโรธธรรมสำเร็จธรรมอันวิเศษอนหนึ่งสมเด็จพระโลกเชษฐเสด็จประทับนภาสาณเจดีตรัสพระสัทธรรมเทศนาสมุทัยสัตว์หมู่ชนทั้งหลายได้สดับแล้วก็ปราโมทยินดีในพระสัทธรรมเทศนาได้บรรลุมรคผลมากมายนับจํานวนได้สิสี่โกฏ อันหนึ่งโสดครั้งเมื่อเสด็จลงจากดาวดึงส พ, พิภพสมเด็จพระนาราศพก็ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งนิโรธสัต์นิกรชนทั้งหลายได้สดับแล้วหมดความสอดแคล้วในพระพุทธคุณบรรลุมรผลมากร้นเหลือหลายประมาณได้สาสิบโกรธพระสัทธรรมเทศนาที่พระมหาผุ้นีโปรดประทานนั้น ปานประหนึ่งว่าคลื่นละลอกอันสัต์กระชอกกำเริบวันไหวอยู่ในโลกสมุทรอันสุดกว้างกระทำให้พระสาวกทั้งหลายตัดเสียได้ซึ่งเครื่องจำจองอันมองมูลอยู่ในสันดานพลานเสียซึ่งราคาโทสะโมหะให้หมดสิน้นมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสบาปรรมบรรลุถึงพระอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลอันโอฬานกระทาพระนิพพานให้แจ้งชัด เป็นปรมัถ ธ, ธรรมด้วยสามารถแห่งคลื่นใหญ่อันไพศาลกล่าวคือพระสัทธรรมเทศนาปรากฏมาจนทุกวันนี้มหาราชดูกระบอพิษพระราชสมภารอตมาได้ทัศนาการทราบชัดดังนี้จึงอนุมาณด้วยปัญญาเชื่อว่าโสภควาอถิสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงบุ ญ, ญาราศีนั้น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 ได้เห็นคลื่นคือพระสัทธรรมอนโนลานของพระบรมโลกุตมาจารย์ผู้ประหารเสียซึ่งความโศมิได้รู้แพ้ผู้ใดทั่วไปในโลกกธาตุองค์อาจล่วงเสียซึ่งตัณหาปลดเปลื้องเ่าประชาให้พ้นจากภพก็ทราบชัดในใจได้ว่าอโคพุทโธภวิสติสมเด็จพระมุนีพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัพพสัตทั้งหลาย มีอยู่เป็นมั่นคงดังนี้ตาถาเอวะมีอุปมาฉันนั้นขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคะเสนผู้ปรีชาโยมได้ฟังคำเล่ากันมาแต่ก่อนว่าพระฤาษีภายนอกพระพุทธศาสนานั้น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 มหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารหิมาวาปพัพตาราชาอันว่าพระยาเขาหิมาพา น, นั้นประกอบด้วยระเบียบแห่งเงื้อมเขายอดเขาแล้วไปด้วยศิลาย่อมสถิตยอยู่ในประเทศชื่ออัจชะปะัธสังกูกปทธอละปะัธาและปัตตะปะัธาเป็นที่อยู่แห่งขเชนทรฉัตรทัน ประกอบด้วยไม้และเครือละดาอันปกคลุมเป็นสมถุมต้นพฤกษาประดับด้วยโตรกตรอกซอกทานเหวท่าฝูงคนทันนิกรกินนอนวิชาทอนสัญจรเที่ยวเล่นสำราญอันหนึ่งเขาหิมพานนั้นเป็นที่อยู่แห่งสุบันครุดนาคอสูงกุมพันและยักษ์ทั้งหลายเหล่าอสรพิษร้ายก็อาศัยอยู่ประกอบด้วยโอสถยาสารพัดจะมี แวดล้อมด้วยยอดคีรีทั้งหลายคือตรีกูดคือไกร ล, ลาดกูดคือสุมณากูดจิตตะกูดคือยุคนทอนกูดแลดูขึ้นไปนั้นสูงดุจเมฆอันเป็นชั้นชั้นและยอดเขาหิมะ า, า น, นั้นแลดูมีสีดุจเมฆเมื่อวันแรมถ้ามิฉะนั้นดุจทาด้วยดอกอันชันอันมีสีเขียวดูเป็นสีครามสีม่วงสีหม่นทั้งหลาย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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมะบรรพ์ภูเขาคือธรรมะของสมเด็จพระบรมโลกาณาศาสดาจารย์เจ้านั้นก็เหมือนกันอันว่าธรรมะบรรพศนั้นอเนกัชานธรรมะพละอารมมณะวินทโภผัพวพันไปด้วยอารมณ์คือฌานและธรรมและผลเป็นอนเนกสุญญตาอานิมิตตาอปนิหิตากูตับปภาระมาลโย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 เป็นที่เที่ยวไปแห่งท่านผู้ปฏิบัติเพื่อมรักผลและท่านผู้ได้มรักผลเป็นเสขะบุคคลและพระสมังคีบุคคลและท่านผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลและท่านผู้ทรงลูขะจีวรและถือปินดาปาติกะทุดงและเป็นอปิชามากน้อยและเป็นทุดงขะสมาทานย่อมสุขสำราญซ่องเสพสถิตอยู่เป็นอเนกาอันว่าพระธรรมบรรพนี้ ย่อมเป็นที่อยู่แห่งท่านผู้ได้ไตรวิชาและอภิญญาหกและท่านผู้ได้พระปฏิสัมพิทาและท่านผู้ได้จดตุเวสารชะและท่านผู้สำเร็จในบารมียานและธรรมะบรรพจนันใสย่อมอาเกียนไปด้วยอะคาถาคือยาอันดับเสียซึ่งพิษร้ายและอาเกียนไปด้วยโอสดทั้งหลายอันจะดับโรคทั้งปวงและรักษาอายุให้จริญ ประกอบไปด้วยจันคือศีลยาคือสมถะกฤษนาคือปัญญากลิ่นคือสันโดษอันบริสุทธิ์อันนึ่งเขาธรรมะบรรพจนั้นมีเขาทั้งหลายเป็นบริวารคือพระสติปัฏฐานทั้งสพระสมบัติฐานสอิทธิบาทสอิน 4, 5, ร 5, ียห้าะละห้าโพชงทั้งเจประการและพระอัฏฐังคิกามักมียอดอันสูงนัก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 คือคำที่กล่าวว่าองค์พระพุทธเจ้าไม่มีอันว่าธรรมบัรพทอันสูงนี้เป็นที่ไหว้ที่บูชาแห่งมนุษย์นิกรเทวดาทั้งหลายเหตุดังนี้อาตมาภาพจึงรู้ด้วยอนุมานปัญญาจึงเชื่อว่าพักขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าภักวาทรงพระนามว่าอารหัง ส่งพระนามว่าสัมมาสัมพุทธโธมีจริงไม่สงสัยขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารในที่นี้พระคันธาร จ, จนาจารประพันคาถาแสดงข้อความที่พระนาคเษนถวายวิสัชนามาแล้วในเบื้องต้นมีใจความว่าภูเขาหิมพานอัจจุขตะบันพศสูงปรากฏตรงานตา บุคคลได้เห็นแต่ไกลก็อนุมานเข้าใจว่าเขาหิมพา น, นั้นมีอยู่ยะถาความเปรียบนี้มีครุวนาชันใดพระธรรมบัณพโพธของพระบรมไตรยโล ก, กนาถเป็นของเย็นประศจากกิเลสมิรู้สะเทือนสถทานหวั่นไหวตั้งอยู่ได้เป็นอันดีบัณดิตผู้มีปัญญาได้เห็นแจ้งแก่ใจก็อนุมานได้ว่า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 ขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารยังมีมาหาเมฆอันชื่อว่าจตุทีปะกะมามหาเมฆเมื่อจะตั้งขึ้นให้ฝนตกนั้นมีนิมิตบังเกิดเป็นสำคัญคือเบื้องบนอากาศนั้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนห้อยย้อยดุดซ้อยสังวานมีดอกไม้สวรรค์บรรดาตกลงมามีมาหาวาตาค่อยพัดมาเรื่อยรื่อยเยน็นเฉยชื่นสบายมนุษย์นิกรทั้งหลายก็สมสองสยินดี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 ต้นหญ้าใหญ่น้อยเขียวชอุ่มเป็นคราบอยู่มูมหาชนก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าฝนนี้เป็นฝนหาใหญ่ยะถามีครุวนาฉันใดอันว่าธรร ม, มเมฆของสมเด็จพระบรมไต ร, รโลกกนาาศาสดาจารเจ้านั้นเมื่อจะให้ตกลงก็เหมือนกันพระองค์เจ้ายังโลกสวรรค์และมนุษย์นั้นให้อิ่มกเกษมสารด้วยหาฝนคืออมริตธรรม เพื่อยังน้ำจิตแห่งท่านผู้สถิตในที่จะได้มักควิถีแต่ท่านเป็นพระสมังคีให้ชื่นชมโสมนัสก็สำแดงซึ่งวิรัชตธรรมอันประเสริฐกำจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะมานะทิฐิพระองค์กำจัดเสียซึ่งเครื่องระดากล่าวคือความยินดีในการมาคุณห้าประการให้พินาศขาดจากสันดานบรรลุถึงพระนิพพานด้วยธรรมเมฆอันประเสริฐ และท่านผู้ปฏิบัติดีบรรดาที่ได้ชื่นชมไปด้วยธรรมเมฆนั้นบางหมู่ได้ตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมและศีลห้าประการศีลแปประการศีลสิบประการและบวชเป็นภิกษุภาพทรงพระปฏิโมกสังวนศีลบางหมู่ได้พระโสดาบางหมู่ได้พระสกิทาคาบางหมู่ได้พระอนาคาบางหมู่ได้พระอรหันต บางหมูได้ชื่นชมยินดีจะบริจาคทานบางหมูชื่นบานที่จะจำเริญซึ่งเมตตาภาวนาบางหมูยินดีในที่จะบูชาพระรัตนตรยัยปรารถนาเพื่อจะให้ได้พระนิพพานมีจิตประสา น, นาการไหว้นบเคารพเป็นอันดีอัตมาเห็นซึ่งท่านทั้งหลายปฏิบัติตามวิสัชนามานี้เหตุชื่นชมยินดีในธรรมเมฆอันตกลงกล่าวคือที่พระองค์เจ้า ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ก็เข้าใจด้วยอนุมานปัญญาว่าโอลาโรโศภควาพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามทรงพระคุณอันยิ่งมีพระนามชื่อว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธได้ตรัสรู้จริงในโลกนี้ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารในที่นี้พระคันธารัจนาจารย์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 ให้มหาเมฆคือพระธรรมตกลงมาฉันนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินได้ทรงสวราการฟังดังนี้ก็ทรงโสมนัสาการยินดีชื่นชมว่าสาธุพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปัญหานี้เปรียบด้วยธรรมเมฆของพระพุทธเจ้าตกลงมาชมระเสียซึ่งอวิชชาการในสันดานสัตว์ทั้งหลาย อุปมาธิบายชะนี้ดีนักหนาในมนพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาซึ่งพระกําลังแห่งสมเด็จพระบรมโล ก, การะนาศาสดาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปโดยเหตุโดยปัจจัยในการบัดนี้เรื่องเปรียบด้วยรอยเท้าคคตฉารกับรอยพระพุทธบาทพระนาคเสษนจึงมีเถระวาจาอุปมาต่อไปว่า มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารขชะราชายังมีพระยาคชสารตัวหนึ่งปะวโรประเสริฐยิ่งกว่าช้างทั้งหลายสตุปเพโทมีกายสูงได้เจ็ดศอกนวยามโมยาวได้เก้าศอกทะสศะปรินาโหมีเครื่องประดับผูกสอดสิบประการธรณิคณโก เป็นเจ้าแห่งฝูงช้างทั้งหลายอันมีในธรณีเซตัคโขมีตาขาวเซตะวาโลมีหางก็ขาวเซตันาขาสีคโรมีปลายเล็บนั้นก็ขาวช้างนั้นขาวดุดสีหมอกและสเสวตฉัดและวิมานอันขาวมีกายนั้นเต็มดุดบ่ออันไม่ได้พร่องมีอายตนะบริบูรณ์ภัยสาร ดูนิ้งามดุดจอมคริรีอันมีไม้หนุ่มๆสูงสร่างสรางต่างๆชนิดและพระยาช้างนั้นอาจจะกำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรฆ่าศึกทั้งปวงได้มาตังโคมีสรีระกายนั้นใหญ่โตอีสาทันโตมีงางองอน ง, งามด้วยเสยริวิราชดังงอนไถมีกำลังอาจจะกำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรมีฤทธิ์ห้าวหาน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 ยังไม้ทั้งปวงให้วินาตไปในที่ทั้งสองข้างมักขาสัญจรเที่ยวมาตามลําเนาห้วยทานละหารเขาลาเนาปา่ามีรอยบาทาปรากฏที่ธรณีอันอ่อ น, ออนมนุษย์นิกรสัญจรเที่ยวไปทิศวานะครั้นได้เห็นรอยพระยาคตสารตัวประเสริฐวิจิตไปด้วยบุ ญ, ญลักษณะอันต้องด้วยแบบอย่างเมื่อมนุษย์เห็นรอยบาทาแห่งพระยาขเชนทรรชาตฉัทันแล้ว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 ประเสริฐเหมือนช้างนั้นโดยวิเศษด้วยเหตุว่ารอยพระพุทธบาทมีลักษณะวิราชร้อยแปประการทรงประดิษฐานไว้เป็นสำคัญเหมือนกุญชรฉัตรทันฉะนั้นตถาสีโหถ้าเปรียบด้วยพระยาไกสวรราชสีก็เหมือนกันตถานิสโภถ้าจะเปรียบด้วยสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ก็ประเสริฐเหมือนกันตถาทันโต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 พะกวาอันว่าสมเด็จพระพะกวันตะบอพิษเมื่อพระองค์เป็นบรมกษัตริย์คาปิละวัดถุงฉัตรยิ ต, ตวาพระองค์มาละเสียแล้วซึ่งกรุงแก้วก บ, บิลพัทปุระวรังเป็นเมืองกษัตริย์อันเลิศด้วยวงมหาสมุิละเสียซึ่งพระราชบุตรอันพึงจะประสูตรในวันนั้นกับสมบัติอันประกอบด้วยสัจธรรมะเจ็ดประการและทั้งสเสวตฉัตร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 อัศสาะาการณียานิควรจะนำมาซึ่งความหายใจออกสบายอปริตาสะการณียานิควรจะกระทํามิให้สะดุ้งตกใจปีติกรณียานิควรจะกระทําให้ปีติปามโมชะกรณียานิควรจะกระทําให้ปรีดาปาโมดเอกะขะกรณียานิควรจะกระทําให้มีอารมณ์แน่วแน่ภาวนิยานิ ควรจะจำเริญสุภาวนียานิควรจะจำเริญด้วยดีสุขะทัานิจะให้สุขศีตะทัตฐานิจะให้เย็นยะสะทัตฐานิจะให้ยศภะละทัานิจะให้กำลังวันณะทัานิจะให้มีสีสันพันงามโภคะทัานิจะให้มีโภคสมบัติกามะทัตฐานิ จะให้สำเร็จความใคร่ปัิติตะทัานิจะให้สำเร็จความปรารถนาที่ตั้งไว้สัพพะทัานิจะให้สมบัติทั้งปวงพุทธสัปปัตานิอันว่าพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธสัพพันยูผู้ประเสริฐนั้นจะครอบงำเสียซึ่งลทัทธิแห่งเดียรถีสัตถุปัตานิซึ่งรอยแห่งศาสดาครูสอนทั้งหลายสีหะปัานิ ซึ่งรอยเท้าแห่งราชสีทั้งหลายนาคปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งนาคทั้งหลายอุสุภปัฏานิซึ่งรอยเท้าอุสุภราชทั้งหลายวัพภปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งโคทั้งหลายยักษปัฏานิซึ่งรอยเท้ายักษทั้งหลายราชาปัฏานิซึ่งรอยเท้าแห่งพระยาทั้งหลายอินทะปัฏานิ ซึ่งรอยเท้าพระอินทร์ทั้งหลายเวทาปธานิซึ่งรอยเท้าของผู้มีเวททั้งหลายสกกะปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าสักกะทั้งหลายบุลินทัตทะปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งเท้าบุลินทัตทะทั้งหลายพรหมะปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งพรหมทั้งหลายสันตะปธานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ระงับแล้วทั้งหลายคณะปธานิ ซึ่งรอยเท้าแห่งหมู <DF ou> Luna, ่ท <debates>. ั้งหลายอิสิปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งฤาษีทั้งหลายมูนิปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งมูนีทั้งหลายชินะปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ชนะทั้งหลายวราปทานิซึ่งรอยเท้าแห่งผู้ประเสริฐทั้งหลายอุตมะปทานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันอุดมอักขะปทานิซึ่งรอยเท้าทั้งหลายอันเลิศ และรอยเท้าพระบวรบาทแห่งสมเด็จพระสัพพันยูนี้เชษฐะปัตทานิเป็นรอยเท้าอันประเสริฐโดยวิเศษกว่ารอยเท้าทั้งหลายวิมุตติปัทานิเป็นรอยเท้าจะถึงซึ่งวิมุตติอนะรหันตะปัทานิเป็นรอยเท้าจะบรรลุพระอรหันตอันทรงไว้ซึ่งอรหาที่คุณพุทธปัทานิอันว่ารอยพระบาท แห่งสมเด็จพระบรมโล ก, การนาดศาสดาจารย์เจ้าของเราทั้งหลายนี้สัพพะพุทธปทานิย่อมแสดงรอยพระบาทแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนมหาราชาดูกระบาปิธผู้ประเสริฐอัตมาเห็นแจ้งประจักษ์ใจชนี้ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าอุลาโรโสภควาสมเด็จพระพะควันตะโบพปิธผู้โอฬานยิ่งนั้น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 ถึงมากว่าจะสถิตอยู่นานประมาณห้าเดือนหกเดือนเท่านั้นตะโตปรังเคลื่อนจากนั้นแล้ววินัตสันติก็สูญหายไปพระควะโตประานิี้อันว่ารอยพระบาทของพระพุทธองค์คือพระโพชงทั้งหลายเจ็ดนี้โลกยังไม่ได้ชิบหายด้วยเพลิงประรายโลกตราบใดพระโพชงบาทนี้จะสถิตไปได้ตราบนั้น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 เมื่อจะเบียดเบียนค่าเสียซึ่งสัตว์อื่นหรือจะยังพื้นธรณีดนและพวกแห่งตนให้ร่าเริงยินดีสีหนาทางพินทติราชสีนั้นก็บรรลือออกซึ่งสัทธะสำเนียงคือสีหานาดรื่นเริงบันเทิงใจขณะเมื่อราชสีบรรลือสีหานาดออกไปนั้นสัตว์ทั้งหลายอันอยู่ในป่าในคูหาถ้ำทั้งหลายนั้นก็สะดุ้งตกใจวันหวาด แม้เป็นนกบินมาบุญอากาศก็ตกลงเป็นสัตว์จัตุบาทก็ล้มลงกับที่คนทั้งหลายเห็นมริตราชสีแล้วก็เข้าใจว่าราชสีนั้นมีกำลังอนุภาพมากยิ่งนักหนายะถามีครุวนาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามนี้ วิคตาพยะเพรโวมีภัยอันพิลึกปราศจากพระพุทธหาหรืไทยอชฉำพิตัพีตะโลมหังโศมิได้บังเกิดตกพระไทยกลัวและโลมาไม่ได้ชันวันไหวประกอบไปด้วยพระบารมีคุณอดุลล้ำเลิศหาสิ่งจะช่างให้เท่าพระคุณบารมีของพระองค์เจ้าไม่ได้พระองค์สั่งสอนสัตว์ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสารณาคมเป็นอาทิ และพระองค์ถึงแก่พระวิมุติสเสวตชัติครองสัพพัญยุตราชสมบัติในโลกุตระราชัยสวรรค์มีพระกายอันประกอบด้วยลักษณะอันวิจิตคือสถิตยอยู่ในสุ ญ, ญาตาวิโมกะพระนิโรธธรรมมีปกติสันโดษเร้นซ่อนอยู่ในป่าอันชัดคือพระองค์สถิตในป่าอันสงัดเงียบอัตโนพุท ธ, ธาสยาอภินิคมิตตวา เสด็จออกจากพระพุทธาใสยประกอบไปด้วยพระยานอันองอาจบรรลือซึ่งสัทธะสำนีงเสียงพระพุทธสีหนาฏกล่าวคือประธานธรรมเทศนาโปรโดมนุษย์นิกรเทวดาจำพวกใดประปักกะมานาสมีใจประกอบด้วยปัญญาบารมีแก่กล้าวิสุทธจิตตามีจิตผ่องใสบริสุทธ์พุทธชิตสันติ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 ครั้นได้ฟังพระพุทธสีหานาฏบรรลือออกซึ่งพระสัทธรรมเทศนามิอาจสามารถที่จะตอบโต้พระพุทธภาสิตได้ก็หลบเรนซุ่มซ่อนอยู่ส่วนสาวกของสมเด็จพระบรมครูเจ้านั้นครั้นฟังเสียงบรรลือพุทธสีหานาฏก็บังเกิดระสาทะเลื่อมใสเหตุได้ซึ่งดอกไม้อันหอมคือพระวิมุตติธรรมอัลลัมเลิศมหาราช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 พระคันธารัจนาจารย์ประพันธ์คาถาแสดงข้อความที่พระนาคเสนถวายวิสัชนาแล้วนั้นไว้เป็นใจความว่ามูมรึกขชาติและสกุะปักษีทั้งหลายได้ยินเสียงพระยาราชสีอันเปล่งสุระสีหนาทแล้วย่อมพากันหวาดหวั่นครั่นค้ามสยดสยองซึ่งเป็นเหตุให้มหาชนอนุมาณรู้ได้ว่านาธราชสี พยาราชสีได้เปล่งสุระสีหานาถฉั้นใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงเปล่งพระพุทธสีหานาถให้เราเดรัจฉีผู้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายขยั่นครั่นครามเป็นเหตุให้อนุมานรู้ได้ว่าสมเด็จพระธรรมราชาได้ประกาศพระธรรมเทศนาไว้มีอุปมาฉันนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลิน มีพระราชะองค์การตรัสรับคําพระนาคเสนว่าพันเตฆ่าแต่ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าช่างอุปมาอันว่าเดรธีทั้งหลายพวกมิชชาครั้นว่าได้ฟังซึ่งพระพุทธสีหานาถแล้วมิอาจจะโต้อตอบได้เป็นไปตราบเท่าจนทุกวันนี้พินโยพุทธพลังทีเปหินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปหมายโดยเหตุโดยปัจจัย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 น้ำฝนก็ท่วมตายไหลพัดพาไปสู่มาหาสมุทรใช่แต่เท่านั้นอุทกะขันยังพัดพาเอาสิ่งโสโครกบรรดามีให้ไหลไปสิน้นชำระปัทถภีให้สะอาดหมดลามกุกและน้ำก็ไหลไปสู่มาหาสมุทรจนแห้งหมดไม่เหลือเลยอปรเรณนะสมยเยนะครั้นต่อมาณนะสมัยเป็นอประภาคมาหาชนทั้งหลายเหล่าอื่นสัญจรมา ได้เห็นคราบน้ำปุ่มเปลือกติดอยู่ตามกอหญ้าและยอดไม้และรวงรังที่สัตว์เคยอยู่พื้นดินขึ้นไปทําเป็นที่อาศัยตามซุ้มเชิงอันเป็นที่สูงอนุมานเนนะชานนติก็อนุมานเข้าใจได้ว่ามหาวัโภอุทการาศีนั่นแน่ที่นี่เคยมีห้วงน้ำใหญ่ไหลมาท่วมดูสิคราบขึ้นไปอยู่ถึงยอดไม้ ข้อความเปรียบนี้ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิธผู้ประเสริฐอันว่าธรรมะนาทีอันเลิศของสมเด็จพระสัพพันอยู่ก็เหมือนกันอนุปุปเพนะสันธมานาเมื่อไหลมาโดยลำดับกันขณะนั้นก็ไหลสู่สาครปากอ่าวอันกล่าวคือพระนิพพานอสังขตัง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 ให้ลอยเสียซึ่งอเนสนธรรมราบาปกรรมอันพิลึกต่างๆให้ล่วงเสียซึ่งเปลือกตมคือโมหะและเลนคือมานะและเปลือกตมกล่าวคือลาบสการะและให้ย่ำยีเสียซึ่งสุพานิมิตและความเกียรติคร้านการทะเลวิวาททั้งปวงและจะระ ง, งับเสียซึ่งอำนาจโกรธและกิริยาที่ยกโทษใส่ท่าน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 มีฟังหาที่สุดไม่ได้มีลูกระรอกจะนับนั้นไม่ได้คือพระัทธรรมจะพร่องหรือเต็มก็ไม่ได้ปรากฏอัตมาเข้าใจด้วยปัญญาดังนี้จึงรู้ว่าอัปมโยโสภัควาสมเด็จพระพัควันตะบพิษทรงพระคุณจะนับจะประมาณไม่ได้ขอถวายพระพรในที่นี้ พระคันธารจนาจารย์ประพันธ์คาถาแสดงข้อความที่พระนาคเษนถวายวิสัชนามาแล้วข้างต้นนั้นไว้ว่าบุคคลเห็นซึ่งแผ่นดินอันเป็นคราบน้ําและปุ่มเปลือกอันติดหญ้าอยู่ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาว่าฝนตกลงมาไม่อุทกาวารีห่วงน้ําฝนมากด้วยเหตุว่าได้เห็นคราบน้าฝนนั้นติดย่อมหญ้ามากยิ่งนัก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 นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าแสดงพระพุทธกําลังให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปโดยเหตุโดยปัจจัยอีกก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นมหิศราธิบดีธรรมดาว่าฤดูดอกไม้ทั้งหลายอันมีสาวะคนทรสอันหอมวิเศษ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 ศีลอันประเสริฐอุดมนั้นมีพระไตรสารณาคมเป็นที่ตั้งคือศีลห้าศีลแปดและพระปาติโมปริยาปันนศีลและอุเทสปริยาปันนศีลและจาริตตวาริตศีลกลิ่นศีล น, นี้หอมไปในมนุสโลกและเทวโลกกลิ่นศีล น, นี้ดุจ ด, ดอกไม้มีกลิ่นอันหอมเหตุดังนี้